คุณสมบัติประการหนึ่งของพระธรรมนะียว่าธรรมคุณก็คือเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปัญิโกองคุณข้อนี้ก็น่าพิจารณานะเพราะว่าถ้าออว่าเรา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 แม้ว่าจะสาธยายพระไตรปิฎกได้ครบนะทั้ง45เล่มก็ยังไม่เรียกว่านอมเข้ามาใส่ตัวจนกว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่กายวาจาลอดใจนะเช่นมีการเป็นผู้ฝ่ายในทานเป็นผู้มั่นรักษาศีลเป็นผู้ที่มั่นเจริญภาวนา อย่างนี้ก็เรียกว่าน้องเข้ามาใส่ตัวแล้วแล้วมือน้องเข้ามาใส่ตัวเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แห่งทำอย่างแท้จริงนะทำที่ช่วยให้เกิดความสงบเย็นไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจจนถึงขั้นที่พ้นทุกข์นะพ้นวัดสงสาร ประโยชน์อย่างนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีทางเดียวนะคือน้อมเข้ามาใส่ตัวนำมาปฏิบัตินะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นที่กายวาจาแล้วก็ใจตามลำดับการเจริญสตินะการทำวิปัสสนาแม้เราจะรู้วิธีรู้เทคนิค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 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอันนี้ก็เรียกว่ายัางเป็นผู้ที่ห่างไกลจากธรรมะอยู่อันนั้นอีกที่พูดมานี่ก็เป็นความหมายหนึ่งนะของการน้อมเข้ามาใส่ตัวอีกความหมายหนึ่งอีแง่หนึ่งนะของการน้อมเข้ามาใส่ตัวก็คือว่าเวลาเราเจออะไรก็ตามนะเวลาเราเห็นได้ยินได้ฟัง อาไรก็ตามเนี่ยเรารู้จักโยงเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อมาเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องฝึกใจเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นแล้วเราโยงเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อเตือนใจนะเพื่อฝึกฝนจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกันนะ และสิ่งที่เราเห็นเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถจะกลายเป็นธรรมะได้ทันทีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคำสอนที่มาจากครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเวลาเราเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวคือโยงมาสู่ตัวเราเองว่า ตัวเราเองนี่สักวันหนึ่งก็ไม่ต่างจากใบไม้ที่ร่วงนะวันนี้นะยังยังติดอยู่นะกับกิ่งกับต้นแต่วันข้างหน้านะก็จะร่วงก็จะเป็ดปลิวนะไม่ต่างจากใบไม้ที่เราแย่เห็นถ้ามองแบบนี้ก็เกิดทำมากขึ้นแล้วนะ เรียว่าใบไม้นี่สอนทำให้กับเราก็ได้ให้เราลึกถึงความไม่เถียงชีวิตให้ตระหนักถึงความไม่จริรังนะของสังขารพระบางท่านที่ท่านบรรลุธทำได้นะเพราะว่าการน้อมเข้ามาใส่ตัวแบบนี้แหละเช่นท่านพิจารณาดอกบัวนะที่มันเคยสวยงามแล้วมันก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็โรยราท่านพิจารณาเนี่ยถ้าไม่ได้เห็น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 นะอันนี้เรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกันดอกบัวก็สอนธรรมะกับเราได้มันยังมีสิ่งต่างๆมากมายนะที่ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเมื่อไหร่นะธรรมะก็เกิดขึ้นนะกับกายวาจาใจของเราท่านจุลปันทกนีท่านเป็นพระในสมัยพุทธกาลเป็นผู้ที่มีปัญญาทึบนะ ต่างจากพี่ชายพี่ชายนี่ฉลาดนะบรรลุธรรมได้เร็วแต่ว่าท่านจุลปันทงนี่แค่สโลกแค่สโลกสามสี่บรรทัดนี่ท่านยังท่องไม่ได้เลยทัาา้งภรษายัางท่องไม่ได้ก็เลยถูกไล่นะถูกพี่ชายไล่นะออกจากวัดให้ไปศึกษะท่านก็เสียใจนะจะมาทูลลาพระเจ้าเพื่อขอลาศึกขาแต่พระเจ้าเห็นว่าท่านเนี่ยมี มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยให้ทำกรรมฐานนะที่ไม่เหมือนใครนะก็คือให้เอาผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขาวนี่แหละมาลูบนะเอามือลูบผ้าที่ขาวบริกรรมไปด้วยนะว่าระโชหารณังระโชหารณังแปลว่าผ้าเพื้อนฝุ่น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 เป็นชั่วโมงช่วโมงเป็นวันเลยก็ว่าได้ยิ่งรูปไปรูปไปเนี่ยนะมันก็เริ่มเริ่มหมองเริ่มเริ่มสกรปรกนะที่เคยขาวก็เริ่มหมองคล้ำท่านก็พิจารณาเห็นนะว่าใอ้ผ้าขาวนี่นะมันก็ไม่เที่ยงเลยนะตอนแรกยังขาวอยู่เลยตอนนี้มันหมองคล้ำซะละ ตอนที่ท่านพิจารณานี่ท่านก็มีสมาธิมากเพราะว่าบริกรรมวัลชโชหารานังวัโชหารานังจนทั้งจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิตั้งมาและพิจารณาเพียงแค่เห็นผ้าเขาเอ้ผ้าสีขานี่มันหมองครน้นี้ท่านก็เกิดความตระหนักนะว่าสังขารของเราก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันมันไม่เที่ยงไม่จีรังจิตใจของเรานะ ถ้าถูกกิเลครอบงำนะมันก็หมองก็เศร้าเหมือนกันพอท่านมองเช่นนี้ท่านก็ บ, บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระรหันต์เพียงแค่พิจารณาผ้าสีขาวแต่ถ้ า, าไม่ได้พิจารณาเปล่าๆไม่ได้มองแค่เห็นว่าผ้ามันขาวแล้วมันเปลี่ยนเป็นคล้าเท่านั้นแต่ว่าโยงเข้ามาสู่ตัวเองสู่กายและใจเกิดความเข้าใจนะในเรื่องสังขาร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 แต่ว่าสามเณรบันดินี่ท่านรู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวคือท่านเกิดความได้แง่คิดขึ้นมาว่าเนี่ยไอสิ่งที่มันไม่มีจิตใจเนี่ยเช่นน้ำเช่นลูกศรหรือว่าไม้เนี่ยมันไม่มีจิตใจก็จริงแต่ว่ามนุษย์เราก็สามารถที่จะบังคับเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปตามต้องการได้แล้วตัวเราล่ะนะมีจิตมีใจ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 ความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะฝึกตนขึ้นมาก็เลยขอลานะขอกลับไปบำเพ็ญภาวนาในในวิหารนะที่เชตวันเราบอกว่าท่านกับบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์ได้ในเช้าวันนั้นนะก่อนที่พระไตรบุนีิจะกลับจากบิดาบาาเอย์อันะอ่นเด็กเจ็ดขวบนะแต่ว่ารู้จักมอง สิ่งที่เห็นเป็นธรรมดาธรรมดานี่มันกลายเป็นธรรมะได้นะถ้ า, าว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวพอน้องเข้ามาแล้วก็เกิดความตระหนักเลยโอ้ว่าเรานี่ต้องฝึกฝนตนนะอันนี้เป็นที่มาของอคำตรัของพระพุทธเจ้านะในธรรมบทนะที่ว่าชาวนาไถน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกศร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 มันมีคำพูดหนึ่งที่พูดว่าเนี่ยดีช่วยอยู่ที่ตัวทำนะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะถ้าฝึกตนนะก็เกิดความเจริญงอกงามในชีวิตเดีย๋ยวแล้วก็ตามที่พูดมานี้นี่ก็ต้องอ่าก็ต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นเป็นคำสอนในระดับในระดับสามมันนะพระเจ้าสอนโดยใช้คำพูดแบบสามมัน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 พรามก็ถามต่อไปว่าสุขทุกนี้ตนทําเองก็มีคนอื่นทําให้ก็มีเกิดขึ้นโดยที่โดยบางเอิญก็มีใช่หรือเปล่าผู้เจ้าก็ปฏิเสธให้พราม์ก็งงเลยนะตกลงสุขทุกขก็ไม่ใช่ตนทําเองไม่ใช่คนอื่นทําให้แล้วตกลงแล้วสุขทุกมันเกิดจากอะไรผู้เจ้าก็เลยอธิบายนะว่า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 รับผัสสะพรุทธเจ้าตอบว่าเนี่ยตอบไม่ถามไม่ถูกนะต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผัสสะ <c oughs> พระรามถามว่าใครเป็นผู้สวยเวทนาพระพุทธ้วก็ตอบว่าเนี่ยถามไม่ถูกนะต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานันถ้าคําสอนของพรุทธเจ้าในระดับที่ปรมัาแล้วเนี่ยนะไม่ไม่มีใครนะ ไม่มีคําว่าใครไม่มีตัวเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนะมันมีแต่อะไรนะเหตุปัจจัยอันนี้เนี่ยอบางทีคนไม่เข้าใจนะไปเข้าใจาผู้เจ้าเนี่ยสอนขัดแย้งกันนะในบางที่เขบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาพอในบางทีก็บอกว่าไม่มีตัวตนนะ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 อันนี้การเป็นการพูดในระดับปุถุชนในระดับอ่าสมมุตินะแต่ถ้าพูดกันอย่างจริงแท้แล้วนี่มันไม่มีไม่มีตัวตนนะครูเจ้าบอกให้เรามองตนนะแต่ถ้ามองแล้วยังเห็นตนอยู่นี่มันก็เรียกว่ายังไม่ได้เห็นความจริงนะเป็นยังไม่ได้เห็นความจริงแท้นะถ้ามองตนแล้วก็ต้องเห็นแค่กายกับใจถ้ามองตนแล้วก็ยัง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 การเจริญสติมันช่วยทำให้เรามองตนแล้วก็เห็นนะว่ามันมีแต่กายกับใจนะที่พูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสีเมื่อวานนี้นะก็เพื่อที่จะมองตนและเห็นนะว่ามันมีแต่กายมันมีแต่เวทนามีแต่จิตแล้วก็มีธรรมไม่มีเราเลยไม่มีเราไม่มีตัวเรานะถ้าเห็นนะถ้าเห็น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 เป็นเพราะว่าตัณหามันอยู่ในตัวเรานะเรายังเรายังเป็นเพราะาเรายังประคองตัณหาเอาไว้หรือว่ารักษาตัณหาเอาไว้ให้เต็มหัวใจนะมันก็เลยเกิดทุกข์ได้ง่ายอันนี้ก็เป็นการพูดในความหมายที่ว่ายังมีเราอยู่นะและที่เราที่ทุกๆวันนี้นะก็เพราะว่าไปปล่อยให้ตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันครอบครองใจหรือว่าไม่รู้จัก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 พยายามที่จะมองเห็นจนเลยพ้นไอ้ความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าฉันนะมันเห็นแต่รูป ก, กับนาเห็นแต่กายกับใจหรือเห็นขันท่าเนี่ยมันก็ช่วยทาให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้นเพราะว่าไอ้ขันทั้งห้าหรือว่ากิเลสอวิชชาที่มันทำนาไปสู่การยึดติดในขันทั้งหานี่มัน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 จะหวังความสุขนะจะหวังความสงบเจนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้จิตใจนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเรานะเรามีความทุกข์เรากลุ้มอกกุ้มใจฝันฟุ้งปรุงแต่งกินไม่ได้น้อยไม่หลับเพราะเอาแต่คิดนะจะบอกให้มันหยุดคิดเนี่ยทําไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเอาสติหรือสร้างสติขึ้นมาเพื่อทําให้ระ ง, งับความฟุ้งซ่านนี่ทําได้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 อาหารมันตกถึงท้องเนี่ยความหิวก็หายไปอันนี้เรื่ความหิวหายไปเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ใช่เพราะเรานะไม่ใช่เพราะเราหรือไม่ใช่เพราะคนอื่นนี่อ่ากันแกล้งเราหรือว่าไม่ใช่เพราะคนอื่นมาปลนเปล่เราคนอื่นเอาอาหารมากองต่อหน้าเราแต่ถ้าเราไม่กินหรือว่าไม่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 ให้เหตุปัจจัยฝ่ายลบก็จะมาแทนแล้วก็ชักนำหรือครอบ ง, งำจิตใจให้ตกไปในทางเสื่อมหรื อ, อเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะได้ตระหนักวา่าคำสอนของอพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีมันมีอยู่สองระดับด้วยกันอย่าไปสับสน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 สภาวะหรือหรือธรรมะล้วนๆคนผู้ใช้สอยจีวอนคนผู้บินทบาตนะิคนผู้ใช้สอยเสยนาส น, นะคนที่บริโภคยาเนี่ยก็คือตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะคือผู้คนทั้งหลายเนี่ยท่านก็ให้มองมันมันเป็นศักดแต่ว่าธาตุมันเป็นศักดแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตนะิไอส่วนที่เป็นรูปก็เรียกว่าประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลม มันมีแค่นั้นแหละส่วนส่วนที่เป็นนามก็คือใจเนะี่ยมันก็ก็มีมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นแหละถ้ามองถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้เพิกถอนความยึดมั่นในตัวตนก็ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะความทุกข์มาเกิดขึ้นได้อย่างถึงที่สุดก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะชัวว่วมันมีตัวตน พราะไม่สามารถที่จะมองทะลุไปจนถึงสภาวะที่มันเป็นธรรมะรล้วนๆเพราะนั้นเวลาพูดว่าเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่คุณน้องเข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจให้ดีนะว่าอมันมีความหมายอย่างไรนะถ้าน้องเข้ามาใส่ตัวจริงๆนะมันก็จะเห็นอย่างถึงที่สุดว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนะมันมีแต่สภาวะแนะมันมีแต่ธาตุ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 นะถ้ายังมีความรู้สึกว่ามีฉันมีฉัน้นมีฉันอยู่นั้นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วอันนั้นมันกำลังเข้าไปในความคิดแล้วอันนี้มันกำลังลงสมมุติแล้วอ่าชานนลเพิ่งกระทอนนี้น ะ, ะครับครบ